ไกลไหนไม่ค้นจน ไปดูอย่ก็นั่อดูทกระตาก็ดไม่ทกระาก็ดจะไปไหนก็ดููก็ดูเมอทั้หายจงเหมือนือขเจ้าจงมทนนประเสริฐที่สสุกายคนละตรงทุกคน่นอ๋อคือเอาไปก็ดดเอเลวออคับอย่าให้ยัดขาดขาดบร คุณมาเงินกั็รูก อย่างใจาไมเปนาวจนะคงก็ทำเลยงไม่าามเมาคุณยอมทุหงไหมจ๊ Hmm. ลิงไม่แข็จึิงไทยและลิงจีนให้งหลายเพราะั้นพวกเรามืออไรจะซื้อจะถามเดือนการกระจายหลังจากนี้ไปซื้อมาทั้งหมดสุดหมดสุดในการที่คิดว่าจะมานม่ซื้อกับพวกเราเพาะนั้นรู้สึกว่าร่างกายมันไม่ค่อยดีว่านา Thank mm -hmm. you. ท si e right hey, ี่เกิดคือธรรมทาพธทั้งหลายจงทําใจให้ได้ซึ you know. ่งกระแสธรรมทานไปก่อนวิธ you know. ีทําใจให้ได้กระแสธรรมทานวันนี้ท่างจะพูดทั้งวันด้วยจิตของเองทางการรู้สึกของจิตรู้ใจของาว่าอะไรเป็นของเรานี้ยกายมันอยู่ที่ไหนใจมันอยู่ที่ไหนส่วนไหนกายลัใจอะไรเป็นของเรเมื่อเรามีการรู้สึกว่าอะไรเป็นของเราแล้วเราก็สามารถจะ เอาสิ่งที่ไม่ดีไม่งามออกจากตัวเราจริงๆได้ในที่นี้ความรู้สึกที่เรารู้ได้จะอะไรเปน็นให้คราจิดหรืออธิจัมมานาจารคนที่ตายไปมีลักษณะนะเปรีบเบหมือนยยบัวที่ถึงคนเห็นมึ่เป็นร่างตายส่วนข้างในเป็นอธิจัมมานาจายตาย เรั้นเมื่อร่างกายมีลักษณะที่เดียวย่นในลักษณะไม่มีอาการหน้าบุ๋แต่ทังในโปร่งไสและเดาทช่ไหมเมื่อทัางในโปรงไสเดาจิตอันนี้แหละเป็นจิตของพ่เจ้าทุกคนมีจิตอย่างนี้อยู่เพราะั้นเธอทั้งหลายดูความใจของจิตพระเา้าจงวางเอาละทุรัก ท้ใดที่คิดว่าจะทำศิษฐมต่นาจะให้มีภาระท่ระมีความกงวลใจความว่าวุ่นเจ้าหมอั้งใจปรากฏในจิตแค่นี้เ็่ามากษะจะไรู้ถึงจิตของที่จะได้โดยไม่ยากเข้าถึงกระแสภายใาธมจุตในรู้จักนาดควบคํามเที่องทั้งศิษไ้เออหมดจบได้แล้วนะครับดเวลาที่จะรับแขกแล้วครับผม ไม่ตั้งไม่รวละคบหอตั้งจักรวาลที่ันท่างูมาแล้วก็ดียังนี้ได้มาก็ดีผู้หลังรถเราก็ดีนี้ด้หวังรใเรก็ดีขอเธอทั้งหลายหลังนั้นที่มีใจอันเป็นบุญเป็นดีศรัทธาจนถึงเด็ดจนลึกผมตามมโนรถตึงตาะหนักตึงใดที่มาผิดในประธรรมวินัยในใจจะต้องการพนององคธรรมและกฎหมายของบ้านนึง ทึงทั้งหลายหลายนั้นจงที่ไม่เกิดแต่ท่านทั้งหลายที่มาแล้วก็ดีนี้เด้มาก็ดีด้วยที่สุดทุ่งชุกด้วยเต็มเอาอัดต่งไขออยู่ที่คือมาแล้วก็ดีอย่างีดีที่ังเราก็ดีีหังขเรา ในจิในประการมันมีใหม่ใหม่ถูกต้องตามพลงพลังธรรมและก